การทำบุญนี้ทำเพื่อใจเรามีสองคนอยู่ในตัวเราเรามีร่างกายกับมีใจร่างกายก็ต้องการปัจจัยสี่ต้องการอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยใจนี่ต้องการบุญต้องการศีลต้องการสมาธิต้องการปัญญา เพราะเป็นเหมือนปัจจัยสี่ของใจที่จะทำให้ใจนั้นมีความสุขสบายเหมือนกับร่างกายตอนนี้ร่างกายเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์มีอาหารรับประทานเงินทุกวันมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีบ้านอยู่อาศัยมียารักษาโรคเวลาไม่สบาย แต่ร่างกายถึงแม้จะสบายอย่างไรแต่ใจก็ยังไม่สบายบใจบางวันก็สบายบางวันก็ไม่สบายวันไหนที่ไม่สบายก็แสดงว่าใจขาดบุญขาดกุศลขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาใจก็เลยไม่สบายขึ้นมาถ้าเรามี ศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานมีการให้ใจของเรานี้จะมีความสบายใจตลอดเวลาแต่ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำกันอย่างเต็มที่เราส่วนใหญ่แทนที่จะมาคอยดูแลรักษาใจเรากลับไปรักษาศัตรูของใจ ใจมีศัตรูมีภัยที่จะมาทำให้ใจทุกข์เหมือนกับร่างกายก็มีศัตรูร่างกายก็มีเชื้อโรคที่จะมาทาให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเชื้อหวัดกระจายจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งคนที่ไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นขึ้นมาใจก็มีเชื้อโรคที่มาคอย สร้างความไม่สบายให้กับใจเชีวิตของใจคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากได้ความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเวลาเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็ทําให้ใจไม่สบายแวันนี้วันอะไร มันหวยออกใช่ไหมออยากได้ลาบในชะ่ไหมเดี๋ยวพอออกแล้วก็รู้พอไม่ถูกขึ้นมาก็เสียใจไม่สบายใจเห็นไหมอยู่ดีๆถ้าไม่ไปลุบอยากได้เงินก็ไม่จะไม่เสียใจถูกไม่ถูกก็ไม่เดือดร้อนแต่พอมีความอยากจะถูกวันนี้ใจคอไม่ค่อยสบายแล่ะ จอยใจคอยมัวแต่คิดว่าอะจะออกเรื่ที่เราซื้ อ, อเปล่ากังวลกังวายกสับก็สายถ้าได้ก็ดีใจไปถ้าถูกก็ดีใจเป็นบ้าไปอย่างนึงถ้าไม่ถูกก็เสียใจเป็นบ้าไปอย่างดีใจก็ไม่ปกติเสียใจก็ไม่ปกติน ความปกติของใจต้องสบายต้องเฉยเฉยไม่ไม่ขึ้นไม่ลงพอขึ้นแล้วเดี๋ยวมันลงพอดีใจแล้วเดี๋ยวเวลามันหมดไปมันก็เสียใจยนี่คือค่าศึกษัตรูที่พวกเราแทนที่จะทําลายมันกําจัดมันเรากลับไปเลี้ยงมันไปส่งเสริมมันด้วยการกระทาตามความอยากทําตามความโลภ ทำตามความโกรธมันก็เลยทำให้ใจเราไม่สบายอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้เรื่องนี้เราเป็นเหมือนคนที่ไม่มีความรู้ทางวิชาการทางแพทย์ทางร่างกาย <S 1> <S 1> <S เวลาตัวเองไม่สบายบางทีไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าไปหาหมอหมอก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะบอกให้ฟังว่า ที่เป็นโรคนี้เพราะอะไรบางคนดื่มสุราแล้วก็เป็นตับแข็งนีหมอก็จะวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยมันตับแข็งเพราะดื่มสุรามากเกินไปถ้าไม่ดื่มสุราตับก็จะไม่แข็งบอดที่เป็นอบอดที่มีโรคทุ้งโพงโป่งนี้ก็เกิดจากการสูบบุหรี่มากเกินไปบางที คนที่ไม่มีการศึกษาวิชาการแพทย์จะไม่รู้ว่าการกระทําของตนนี้มีผลกระทบเสียหายต่อร่างกายอย่างไรคนบางคนก็ชอบกินของหวานกินของมันแล้วก็มามีโรคเบาหวานมีโรคความดันโรคไขมันอุดตันก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่สมัยนี้มีหมอคอยมาสอนคอยบอก ให้ระวังเรื่องการรับประทานอาหารพวกหวานหวานมันมันเค็มเข็มนะกินเค็มมากก็ทำให้เกิดความดันนหวานก็เกิดเบาหวานมันก็เกิดไขมันอุดตันอันนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนจะไม่รู้กันถ้าไม่มีหมอมาศึกษามาค้นคว้าหาสาเหตุของความไม่สบาย ต่างๆของร่างกายใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของเราก็มีหมอที่มาศึกษาเกี่ยวกับความไม่สบายใจต่างๆหมอก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของจิตใจได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์รู้จักสาเหตุที่ทำให้จิตใจของเราไม่สบายใจไปต่างๆนาน า, น า, น า, นาว่าเกิดจากอะไร และรู้วิธีที่จะรักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปหมดเลยถ้าเชื่อหมอเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนต่อไปใจของเราก็จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บก่อจากความไม่สบายต่างๆของใจ ความไม่สบายใจนีเป็นเหมือนกับความไม่สบายทางร่างกายมีสาเหตุมีเชื้อโรคทำให้ร่างกายไม่สบายพฤติกรรมบริโภคต่างๆนั่นทำให้มีสาเหตุไม่ออกกําลังกายขี้เกียจกินๆนอนๆนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นภยัยเป็นอันตรายต่อร่างกายพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อใจก็คือ ความอยากความโลภนี่แหละความโลภอยากได้ลาบยศสรรเสริญความโลภอยากได้ความสุขทางต า, งางหูจมูกนิ้กายถ้ามีความโลภความอยากแล้วใจจะไม่สบายอยู่ไม่เป็นปกติคนที่อยากสูบบุหรี่เวลาไม่ได้สูบบุหรี่นี่จะงดเยิดลำคาใจ คนที่อยากจะดื่มสุราจะมีอาการไม่สบายใจอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากนี้จะไม่สบายใจนี่แหละแล้วไม่รู้วิธีว่าวิธีไม่รู้ว่าความไม่สบายใจนี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้ารู้ว่าความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของใจถ้าเวลาใจไม่อยากนี่ความความหงุดหงิดความ렁คาญใจ ความอึดอัดนี้จะไม่มีอย่างตอนนี้เราไม่มีความอยากอะไรกันเราก็เลยรู้สึกสบายใจแต่เดี๋ยวถ้าเกิดความอยากขึ้นมาความไม่ความสบายใจจะหายไปแล้วความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นพอเกิดความไม่สบายใจวิธีที่ทำให้ความไม่สบายใจหายไปที่เราเคยทำกันก็คือไม่ทำสิ่งที่เราอยากทำอยากดื่มกาแฟก็ไปดื่มกาแฟ อยากสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่เพราะเวลาได้สูบบุหรี่ได้ดื่มกาแฟแล้วความหงุดหงิดมันหายไปเพยงแต่ว่ามันเป็นการหายแบบชั่วคราวมันไม่หายแบบถาวรเพราะเดี๋ยวไม่นานความอยากดื่มกาแฟแก้วใหม่ก็โผล่ขึ้นมาความอยากสูบบุหรี่มวนใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วต่อให้ทํากี่รอบกี่ครั้งมันก็ความอยากดื่ม กาแฟความอยากสูบบุหรี่มันก็จะไม่หมดพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทำให้มันหมดก็คืออย่าไปดื่มเวลามันอยากดื่มอย่าไปดื่มเวลามันอยากสูบอย่าไปสูบทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาอยากแล้วไม่ทำตามความอยากนี้มันทำให้เกิดความทุกข์ใจความหุดกิจใจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าเราทนได้ถ้าเรารู้ว่ามันมีขีดสูงสุดของมันเมื่อมันถึงขีดสูงสุดแล้วมันก็จะมันก็จะหยุดอาการไม่สบายใจที่ยวลงที่วรายมันจะหายไปแต่มันคนส่วนใหญ่ทนไม่ได้ทนกับความทรมานใจไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้วิธีที่จะลดความทรมานใจ เวลาเกิดความอยากแล้วใจดงุดเงิจใจไม่สบายพระพุทธเจ้ามียาที่จะกินยาของใจก็คือสติสมาธิและปัญญานี่ถ้ามีสติก็สามารถที่จะควบคุมความคิดถึงบุหรี่คิดถึงกาแฟได้พอเราไม่คิดถึงบุหรี่คิดถึงกาแฟความอยากดื่ม กาแฟความอยากสุบุรีก็จะหายไปพอความอยากหายไปความทรมานใจก็หายไปอันนี้ถ้าเราฝึกถ้ามีสติเราจะสู้กับความทรมานใจได้เราจะระ ง, งับความทรมานใจได้แล้วเราจะฝืนความอยากได้เวลาอยากสุบุรีก็ฝืนมันได้พอ เราหยุดความอยากได้หยุดได้สติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าเรามีความอยากแล้วบอกว่าไม่เอาแต่มันยังดื้ออยู่มันยังจะเอาอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องต้องปราบความดื้อของมันด้วยการทำใจให้นิ่งอย่าให้ใจไปคิดถึงบุหรี่คิดถึงสุราคิดถึงกาแฟ ก็คือต้องให้คิดถึงอย่างอื่นแทนเช่นนั้คิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาโลภเวลาอยากได้อะไรแล้วใจสั่นใจไม่สบายก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราฝึกพุทโธมาก่อนเราจะพุทโธได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกพุทโธมาเราจะพุทโธไม่ออกพุทโธได้คำสองคาก็กลับไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ พรคิดแล้วความทรมานใจก็โผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องยอมแพ้ยอมไปดื่มกาแฟยอมไปสูบบุเลยแต่ถ้าเราฝึกหัดฝึกพุทธโธไว้ก่อนแล้วพอเกิดความอยากเกิดความทรมานใจขึ้นมาเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปทถ้งเดี๋ยวเดียวไม่กี่นาทีความอยากมันก็ลดลง เบาลงหรือหายไปแต่มันจะไม่หายถาวรเท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาอีกเราก็ต้องหยุดมันอีกแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรเราต้องเห็นโทษของการสูบบุหรี่เห็นโทษของการดื่มกาแฟก็มีโทษสองทางทางร่างกายและทางจิตใจน เวลาเกิดความอยากเวลาติดบุลีติดกาแฟแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเดิมต้องสูบแล้วจะทำให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายต้องตายไปก่อนเวลาอันควรอันนี้โทษทางร่างกายส่วนโทษทางจิตใจก็คือทุกครั้งที่เราอยากมันก็จะทำให้เราทรมานใจเราก็จะเป็นธาสของความอยากไปเรื่อย ถ้าเราไม่อยากจะเป็นทาตของความอยากเราอยากจะอยู่อย่างปกติไม่มีอะไรมากวนใจเราก็ต้องฝืนความอยากและสิ่งที่จะฝืนความอยากได้ก็คือสติเราถึงต้องมีสองอย่างมีทั้งสติมีปัญญาถ้ามีสติอย่างเดียวมันก็จะหยุดได้ชั่วเวลาที่เรามีสติพอเราเผลอสติพอไปนึกถึงกาแฟนึกถึงบุหรี่ก็อยากขึ้นมาอีก แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นโทษของบุหรี่เห็นโทษของกาแฟพอเวลานึกถึงบุหรี่เท่าไรก็นึกถึงปอดถุงลมปปง่ปงพองขึ้นมามันก็จะทำให้ไม่อยากจะสูบุรยต้องเห็นโทษของสิ่งที่เราไปเสพว่ามันจะทำให้เราทุกข์ทางร่างกายและทุกข์ทางจิตใจอันนี้แหละคือปัญญา คืเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันจะทําให้เราทุกข์ทางใจเป็นหลักและอาจจะทุกข์ทางร่างกายด้วยอันนี้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเวลาเราอยากได้อะไรอยากดื่มอะไรอยากสิร์อะไรแล้ เ, เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นสุขแค่เดี๋ยวเดียว สุขขณะที่เราได้เสพมันแต่มันจะทำให้เราทุกข์ไปเป็นเวลาอันยาวนานเพราะมันจะมีความอยากมาเรื่อยๆแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้มาดื่มมันก็จะทำให้เราทุกข์เช่นบางเวลาของที่เราอยากจะได้เช่นบุหรี่อาจจะไม่มีไปอยู่ที่ไม่มีเขาขายบุหรี่กันเราก็จะทุกข์ หรือว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยสูบไม่ได้ถ้าสูบแล้วร่างกายจะยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นตอนนั้นก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วไม่มีความทุกข์พ่วงมาด้วย ความทุกข์ที่แสนสาหัสแสนทรมานใจถ้าเรามีสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เรามีกันเนี่ยเราจะสามารถรักษาใจของเราให้อยู่เป็นปกติสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจส่วนที่เรามาทำบุญกันนี้ก็เป็นการตัด ทอนความอยากความอยากที่เราจะใช้เงินตอบสนองเรามีเงินเราก็อยากขึ้นมาใช่ไหมเวลาไม่มีเงินมันก็อยากมันก็ไม่รู้ทำไม่ได้แต่พอมีเงินเหลือใช้อยากใช้เงินนี้แนะเอาเงินนี้ไปใช้อะไรดีเห็นเขาโฆษณาสินค้าเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาก็ไปซื้อสินค้านั้น ซื้อมาก็ได้ความสุขจากมันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสินค้านะั้นมันก็เสียชํารุดหรือหมดสภาพไปอความสุขที่ได้ก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อสินค้าอันใหม่เป็นมือถือเนี่ยติดตามมันอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเงยรุ่นใหม่ๆมีออกมาอยู่เรื่อยๆพอได้รุ่นพอรุ่นใหม่ออกมาของที่มีอยู่นี้ไม่ไม่มีความหมายแล้ว อยากจะได้ของใหม่แนละ้วถ้ามีเงินในกระเป๋าก็ควักออกมาทันที yeah. อันนี้ก็เป็นความอยากเหมือนกันเป็นความอยากเหมือนกับอยากสูบบุหรี่อยากดื่มกาแฟอันนี้อยากใช้เงินซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆมีเงินก็อยู่ไม่รู้อยู่ทำรู้จะใช้ไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้มีเงินก็อยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้ นี่พอมันไปแล้วมันจะติดเนี่ยไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากเที่ยวอีกถึงเวลาไม่มีเงินก็อยากเที่ยว อ, อีกเพราะมันพอมันเที่ยวแล้วมันความอยากมันจะโผล่มาเรื่อยๆมีเงินไม่มีเงินทีนี้มันก็อยากอยากไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินเที่ยวก็งดเหี็ดอยู่บ้านก็งดเหน็ดนะเศร้าซ่อยองอยเหงาว้าเหวอันนี้พระพุทธเจาก็สอนว่าถ้าอยากจะเอาเงินใช้ไปตามความอยาก นี่เอามาใช้ในทางที่จะทำให้ความอยากเหล่านี้หายไปดีกว่าก็คืออย่าไปอย่าไปใช้ตามความอยากอยากไปเที่ยวก็เอาเงินที่ไปเที่ยวไปทำบุญแทนการทำบุญก็จะให้เราได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวเพราะความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้ทำให้ใจอิ่มใจพอส่วนการเอาเงินไปเที่ยวนี้ทาให้ใจ มีความสุขแต่สุขแบบหิวสุขแบบไม่พอ Ư, เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องเที่ยวอยู่เรื่อยเมื่อต้องเที่ยวอยู่เรื่อยก็ต้องไปหาเงินอยู่เรื่อยต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาเงินมาก็ต้องพองเอามาใช้กับการไปเที่ยวเที่ยวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอยากไปเที่ยวใหม่ก็ต้องไปหาเงินใหม่แต่ถ้าเอาเงินที่อยากจะไปใช้กับความอยากไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเนี่ย ควอยากไปเที่ยวมันจะลดลงไปนําหมดไปแล้วความสุขที่ได้จากการทําบุญก็จะทําให้เราอิ่มใจสุขใจจะทําให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากซื้ออะไรไม่อยากทําอะไรไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆถ้าจะ ซ, ซื้อก็ซื้อแต่ของที่ขาดแคลนจําเป็นเช่นถ้าเสื้อผ้าขาดไม่พอใส่ก็ซื้อ แต่ถ้ายังไม่ขาดก็จะไม่มีความอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่คนที่ชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่เวลามีเงินเห็นเสื้อผ้าใหม่ก็อยากซื้อก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆพอมีเงินพอไปเดินตามร้านเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาก็อยากจะซื้อมาใส่แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญต่อไปความอยากจะซื้อเสื้อผ้า ใหม่ๆนี้เราจะไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปทําตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปทําตามความอยากก็เอาไปทําบุญแทนการทําบุญนี้ก็ได้ความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปไปทําตามความอยากต่างๆต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากจะใช้เงิน ไปทำไปทำตามความอยากต่างๆถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปทำบุญจะดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ที่อิ่มที่พอส่วนความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอไปเที่ยวเสร็จกลับมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ไปซื้อของมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อของใหม่ แล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่มันก็มีของที่จะให้เราซื้อมากกว่านั้นอยู่เรื่อยในสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เรามีวันละ20 30บาท50บาทนี่เราก็อยู่ได้ละซื้อขนมซื้อไอติมซื้ออะไรกินไปแค่นี้ก็มีความสุขพอโตขึ้นมามีเงิน ไปห้าร้อยก็มีของที่จะซื้อมากกว่าห้าร้อยอีกมีห้าพันมันก็มีของที่จะให้เราซื้อมากกว่าห้าพันนีมีห้าแสนก็ยังมีของที่ให้เราซื้อมากกว่าห้าแสนเห็นไหมตอนต้นก็ซื้อรถคันละห้าแสนพอมีห้าล้านทีนี้รถห้าแสนก็ซื้อไม่ได้นะต้องซื้อรถห้าล้านนะมันก็ลดเหมือนกันนี่เอมันก็พาเราไปไหนเหมือนกัน แต่ความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆดังนั้นต่อให้เรามีเงินทองมากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่พอใช้อยู่ดีถ้าเราใช้ตามความอยากมันมีเรื่องให้เราใช้ได้เยอะแยะไปหมดถ้านั่งเครื่องบินตอนต้นก็ซื้อซื้อตั๋วเด๋ยถูกพอมีเงินมากหน่อยก็ซื้อ ตัวแทงถ้ามีมากกว่านั้นก็เช่าเครื่องเลยเข้าใจไหมงั้นต่อให้มีเงินเท่าไหร่มันก็จะไม่พอใช้มันก็จะทำให้เราดิ้นไปหาเงินหาทองมาใช่อยู่เรื่อยๆแล้วพอเราใช้มันติดแล้วเวลาหาเงินถ้าหาหาได้ยากหาได้ลำบากมันก็อาจจะบังคับให้เราไปหาแบบง่ายๆหาแบบเร็วๆก็หาด้วยวิธีโกงเา่า ช่อโกงรัทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราต้องไปเสี่ยงภัยกับคุกกับตารางอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าจะหาเงินก็ต้องหาเงินโดยวิธีสดจริตสอนให้เรารักษาศีกันเพราะศีนี้จะป้องกันความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทำบาปเวลาเราไปทำบาปไปช่อโกงไปรักทรัพย์เนี่ย ใจเราจะไม่สบายแล้วแต่เราต้องทำเพราะอะไรเพราะความอยากใช้เงินมันมากแล้วหาเงินแบบวิธีสุดจริตหามันไม่พอหรือหาไม่ทันการแต่ถ้าโกงเนี่ยเซ็นชื่อแก๊กเดียวมาแล้วมันก็ทำให้อดไม่ได้เมื่อมีคนมาเสนอถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ที่จะเซ็นชื่ออนุมัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วเขาก็ให้ซองเรามามันก็ทำให้เราที่ต้องการเงินมากๆง่ายๆเร็วๆก็เลยไปทำบาปกันพอทำบาปแล้วก็จะใจจะไม่สบายใจจะหวาดกลัวหวาดระแวงแล้วถ้าพลาดไปเขาจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางไปรับใช้โทษอันนี้ก็เป็นความ เป็นโลกอีกอย่างหนึ่งของใจโลกของความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปโลกของความไม่สบายใจจากการใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ให้แก้ด้วยการเอามาทำบุญถ้าอยากจะใช้เงินอย่างมีความสุขโดยไม่มีโทษก็เอามาทำบุญเสียทำบุญแล้วไม่มีโทษมีแต่คุณประโยชน์คนทำบุญแล้วจะมีความสุขใจพุเจาบอก สุกตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันลายคนที่ทำบุญเห็นั้นถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองก็เอาเงินทองนี้ไปทำบุญแล้วจะดีกว่าเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินทองไปเที่ยวเพราะมันจะทำให้ให้เราต้องใช้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเราหามได้ไม่พอ กับความความต้องการเราก็จะไปทําบาปได้แล้วก็จะทําให้เราเกิดความไม่สบายใจต่างๆตามมาไม่สบายใจเวลาทําบาปเวลาเห็นตํำรวจใจก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่คดีแล้วไอ้เขามาจับเราหรือเปล่าแล้วพอถูกจับไปลงโทษก็ติดคุกติดตารางอีกเห็นไหมนี่คือวิธีแก้ ความวุ่นวายใจต่างๆพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องมาปราบความอยากปราบความอยากด้วยการทำบุญทำทานปราบความอยากด้วยการรักษาศีลปราบความอยากด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็สร้างสมาธิขึ้นมา วิปัสสนาภาวนาก็สร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามาีธรรมะเหล่านี้เราจะสามารถปราบความอยากให้หมดไปอย่างราบคราบขั้นต้ น, นการทําทานนี้ก็ปราบได้แบบบางส่วนความอยากที่จะใช้เงินทองมันก็จะหมดไปทุกครั้งที่เราเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับของที่ไม่จําเป็น ต่อไปเราก็จะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยต่อไปเราก็จะไม่ไปไปเที่ยวกันถ้าเที่ยวก็พอหอมปากหอมคอเที่ยวแบบไม่ต้องใช้เงินมากก็ได้เที่ยวพอให้ให้ให้บันเทาบ้างเพราะเรายังถ้าเรายังไม่มีธรรมระดับสูงนั่นก็ยังทำเราก็ยังมีความอยากอ ย, กอยู่เราก็เที่ยวแบบ ของฟรีด็ดูหนังก็ดูหนังฟรีก็ได้ดูทีวีนี่มมีของฟรีดูไม่ต้องเสียเงินมากมก็เที่ยวแบบถูกๆได้แล้วก็พยายามไปตัดความอยากที่ต้นตอมันที่ต้นต่อของความอยากก็คือใจไม่สงบดังไปปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วความอยากต่างๆมันก็จะหมดไป อันนี้ต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะว่าต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะสามารถทาจิตให้สงบได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเรายังไปไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการทำบุญทาทานการรักษาศีลไปอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อน พรฟังเทศฟังธรรมมันก็จะทําให้เรารู้ปัญหาของเราว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราก็พยายามฝืนความอยากไปตามกําลังของเราไปก่อนความอยากบางอย่างเราอาจจะฝืนได้เลิกได้ความอยากบางอย่างนี้มันอาจจะเลิกไม่ได้เพราะมันมันใหญ่กว่าเรากําลังมันมากกว่าเราเราก็ต้องพยายามสร้างกําลังขึ้นมาหอยหาเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมเป็นช่วงๆก่อนก็ได้ ถ้ายังไปแบบเต็มรูปแบบไม่ได้ก็ไปแบบเช้าเย็นกลับก่อนก็ได้ไปสามวันไปเข้าคอร์สก็ได้ถ้ายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็ไปหัดปฏิบัติก่อนเขาจะมีการสอนให้ให้เจริญสติให้นั่งสมาธิให้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ให้มีปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นตัวที่สร้างความ ทุกให้กับเราแล้วอะไรที่จะหยุดมันได้อันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนอกจากว่าเราเป็นมีบุญเก่ามาแล้วพอฟังปุ๊บเข้าใจปุ๊บตับได้เลยออกบวชได้เลยบางคนฟังธรรมะของพระเจ้าคำเดียวขอขอลาไปบวชเลยมีชายคนหนึ่งเคยพบกับพระพุทธเจ้าระหว่างบิณทบาต ก็กราบถามขออนุญาตให้พระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังพระเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาไม่สะดวกเพราะกำลังบินทบาตชายคนนี้ก็บอกขอขอแบบสรุปก็แล้วกันเอาแบบรวบรวบยอดพระเจ้าก็พูดง่ายๆว่าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้พอพูดแค่นี้เขาก็สาเร็จ เขาเข้าใจว่าเห็นอะไรก็อยาาไปอยากได้ยินอะไรก็อยากไปอยากรู้อะไรก็อยากไปอยากส่วนส่วนใหญ่พวกเราทุกคนเห็นอะไรก็อยากใช่ไมไม่อยากได้ก็อยากหนีเห็นของที่ดีที่ชอบก็อยากได้เห็นของที่ไม่ชอบก็อยากจะหนีหรืออยากจะกำจัดมันได้ยินเสียงที่ดีก็อยากฟังได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็อยากจะกำจัดมัน มันก็เลยทำให้ใจเราไม่สบายขึ้นมาไม่สบายเพราะความอยากนะแต่ถ้าเห็นเฉยๆแล้วไม่มีความอยากเสียงมันจะด่าเรายัางไงมันก็เป็นแค่เสียงเราก็ฟังมันไปเฉยๆของเสียงมันจะดีขนาดไห น, นมันก็เป็นแค่เสียงมันเป็นเสียงนะเราไปปรุงแต่งกันว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาเราก็เกิดความอยากอยากได้หรืออยากกาจัดมันไปพอพระเจ้าแสดงแค่นี้เขาก็บรรลุละ เขารู้ว่าปัญหาอยู่ที่ความอยากของเขาเขาก็หยุดความอยากได้ก็เลยเกิดศรัทธาจะขอขอไปบวชจะไปเตรียมอัฐบริขานเตรียมตัวบวชไปเตรียมบาตรเตรียมจีวร อ, อะไรระหว่างทางไปถูกกระเทงขวิดตายเขาพรเจ้าทราบข่าวก็บอกว่าให้ทำศพชายคนนี้แล้วเอากระดูกเขา บรรจุไว้ในเจดีย์ให้สร้างสถูปก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าชายคนนี้เป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าสมัยก่อนการจะเอากระดูกของใครบรรจุในเจดีย์นี้ต้องมีสถานภาพผู้ที่เขาจะบรรจุในเจดีย์ก็มีพระพุทธเจ้าพระมาหาจากกักรพรรดิพระประเจกับพะพุทธเจ้าพระอาหารหันต์จะเป็นคนที่สำคัญเป็นคนที่ หายากในโลกเป็นคนที่ประเสริฐมาจากักรพรรดิก็ประเสริฐทางโลกยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าพระอรหัาานต์ก็ประเสริฐทางธรรมทางใจนี่ก็เป็นปัญญาที่ได้จากการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแต่ถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจอันนี้ก็ต้องไปฟังบ่อยๆคือเหมือนกับฟังแล้วยังเป็นปิดชนาอยู่ ยังไม่เข้าใจความหมายว่าพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรบางคนฟังแล้วเข้าใจว่าพูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องความอยากพูดถึงเรื่องของความทุกข์เขาเห็นอริยสัจสี่ทันทีตอนที่พูะเจ้าแสดงธรรมสั้นๆแค่ น, นี้ว่าให้สักแต่ว่าเห็นเพราะถ้าไม่สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วอยากมันก็เป็นสมุทัยแล้วเป็นทุกขษัตร์ข้อที่สองต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจ ทุกข์สัตย์ข้อที่หนึ่งก็คือความไม่สบายใจที่เกิดจากการเห็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบพอเห็นชอบก็อยากได้พออยากได้ใจก็กังวลกังวายกระสับกระสายนะอย่างวันนี้ชอบหวยชอบถูกหวยกันตอนนี้ก็กังวลกังวายกระสับกระสายกันแล้วเดี๋ยวพอไม่ถูกก็เสียใจอันนี้เพราะยังไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้รู้เฉยๆรู้ว่าวันนี้หวยออกก็รู้เฉยๆนี่อย่างเราเราไม่ได้ไปแทงเราก็รู้เฉยๆหวยออกก็ออกไปใครจะจะถูกไม่ถูกเราก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยเห็นเราก็ไม่ได้ดีใจไม่เสียใจไปกับมันนี่คือเรื่องของบุญเก่าคนบางคนได้ตุกจจิตมานานคอยดูจิตคอยสังเกตจิตอยู่เรื่อยๆ คอยสังเกตว่าทาไมวันนี้ไม่สบายใจวันนี้ทำไมสบายใจเพราะอะไรพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วพอมีคนมาบอกว่าเพราะความอยากวันนี้ก็จะเข้าใจทันทีถ้าไม่มีคนบอกอันนี้จะเห็นยากแม้แต่พระพุทธเจ้าเห็นกว่าจะเห็นได้นี่ก็ต้องใช้เวลาศึกษาต้องหปีด้วยปฏิบัติหปีเพืะจะมาเข้าใจว่าความไม่สบายใจต่างๆนั้นเกิดจากความอยากสามประการ เกิดจากกามาตนะหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นหมออยากจะเป็นผู้พิพากษาอยากเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นนายกเพอเกิดความอยากเหล่านี้แล้วใจมันก็ตื่นเต้นใจมันต้องกระวนกรวายกระสากระสายแล้วก็พยายามวิกเต้น ขณะที่หาก็เหนื่อยก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งความอยากจะทำให้เราต้องอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้ถึงจะหายหายจากความรู้สึกที่ไม่สบายใจแต่พอได้เดี๋ยวมันความอยากใหม่ก็โผล่มาพอเรียนจบก็อยากจะได้งานนะก็ต้องเลือกงานอีกแล้วอยากจะไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เป็นหมอบางทีก็ต้องถูกเขาจับส่งไปอยู่ที่เราไม่อยากไป พอไม่ได้ไปตามที่เราอยากไปก็ไม่สบายใจแล้วเนี่ยความอยากมันจะพาให้เราต้องไปเจอแต่ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนไม่ไม่ไม่ได้ทุกครั้งหรอกยังอยากจะถูกหวยไม่ได้ถูกทุกครั้งหรอกที่แทงหวยแต่ถ้าใช้ปัญญามาวิเคราะห์ว่าถูกกับไม่ถูกกันไหนจะมากกว่ากัน ดูสถิติก็ได้เล่นหวยมาเนี่ยก็ลองจดไว้ว่าอจ่ายไปเท่าไหร่รับกลับมาเท่าไหร่ถ้าผลมันบอกว่าจ่ายมากกว่ารับก็เลิกเลิกเล่นดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาเงินที่ไปจ่ายให้เจ้ามือนี้เอาเก็บไว้เป็นรางวัลของเราก็ได้ซื้อซื้อหวยกับตัวเราเองก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่า การทำตามความอยากนี่ได้ไม่คุ้มเสียได้ความสุขเดี๋ยวเดียวเราเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ความอยากใหม่ขึ้นมาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนได้สะสมมามากน้อยต่างกันจึงต้องสอนตั้งแต่ระดับขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงขั้นต่ำก็ขั้นแรกก็ให้หัดเลิกใช้เงิน ไปใช้กับความอยากต่างๆก่อนให้เอาเงินมาใช้กับการทำบุญหรือใช้กับสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เช่นปัจจัยสีนี้จาเป็นต้องมีถ้าซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าตามความต้องการของร่างกายนี้ไม่เป็นความอยากจะเป็นความอยากก็ต่อซื้อต่อเมื่อซื้อมันมากเกินความต้องการเช่นมีเสื้อผ้าพอใส่แล้วยังอยากได้ชุดใหม่ๆมาใส่อันนี้ก็เป็นความอยาก ก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆบางคนมีรองเท้าเป็นสิบเป็นร้อยคู่นะซื้อมาเห็นใส่แล้วก็อยากจะใส่เห็นคู่ใหม่ก็อยากจะได้อีกอันนี้เราต้องกาจัดความอยากเหล่านี้ด้วยการฝืนมันถ้าฝืนไม่ได้ก็เอาไปทำบุญเพราะถ้าเงินยังอยู่ในกระเป๋านี้มันร้อนก็เอาไปทำบุญซะกระเป๋าจะได้เย็นหายร้อนใจจะได้เย็นด้วยใจก็จะสบาย ทำบุญแล้วจะทําให้ใจสบายมีความสุขเวลาเราได้ทําให้คนอื่นก็มีความสุขความสุขนั้นจะกลับมาหาเราดังนั้นการทําบุญนี้เลือกทําได้ไม่ต้องทํากับวัดกับวาอย่างเดียวไม่ทำกับอะไรที่ทําแล้วทําให้เรามีความสุขความสุขนี้แหละเรียกว่าความสุขใจนะความสุขใจที่ให้ที่เกิดจากการเสียสละไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเอาเงินไปซื้อของนะ อันนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นความสุขปลอมความสุขแท้ต้องเป็นความสุขที่ให้ไปอย่างเดียวไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาไม่ใช่เอาเงินไปซื้อของแล้วก็ได้สองที่เราอยากได้กลับมาก็มีความสุขอันนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวเหมือนควันไฟแล้วก็มีความอยากใหม่ตามมาแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อเอาไปทาบุญความอยากใหม่ความอยากที่จะไป ซื้อของซื้ออะไรมันจะไม่มีแล้วความอยากจะทำบุญก็ไม่มีถ้าไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนการทำบุญจะไม่ทำให้เราติดคือทำน้วจะทำให้เราสุขใจอิ่มใจถ้าไม่มีเงินทำเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาไม่มีเงินไปเที่ยวมันจะเดือดร้อนต่างกันตรงนี้ถ้าเรายังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่หัดเปลี่ยน เปลนการใช้เงินให้มันทำให้เราได้ความสุขแบบไม่มีความทุกข์ดีกว่าก็เอาไปทำบุญจะทำที่ไหนก็ได้ทำโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับขอทานทำกับนกกับกาปล่อยนกปล่อยปลาทำกับอะไรก็ได้ร้อยแปดบางคนก็เลี้ยงหมาจรจัดบางทำอะไรแล้วมันมีความสุขใจอิ่มใจมัน ัแล้วก็มันจะตัดความอยากที่จะไปทำอะไรตามความอยากต่างๆได้อันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการนดความอยากลดความวุ่นวายความไม่สบายใจไปในระดับหนึ่งระดับที่สองก็รักษาศีลไว้เพราะไม่รักษาศีลแล้วใจจะวุ่นวายเวลาทำบาปแล้วใจจะไม่สบาย เวลาไปฆ่าใครเนี่ยใจจะไม่สบายเวลาไปรักทรัพย์ไปช่อกงเวลาไปประพฤติผิดประเวณีเวลาไปโกหกหลอกลวงเวลาไปดื่มสุรายาเมามันจะทำให้ใจเราไม่สบายเห็นท่านถ้าอยากจะสบายก็อย่าไปทาเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ทาบาป ท, ทั้งห้าข้อเราสบายไหมนั่งอย่างนี้สบายไม่มีความรู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัว น, นี่กระดับที่สองทำบุญทำทานเพื่อลดความอยากกำจัดความอยากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วก็มาลดความยาความอยากในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ดีการกระทำบาปแล้วก็มาขั้นที่สามก็มามาหยุดทาใจให้นิ่งให้สงบอันนี้จะหยุดความอยากได้เต็มที่เลย วิธีที่จะหยุดกับอยากก็ต้องหยุดความคิดเพราะความคิดนี้เป็นสื่อที่จะพาให้เราไปอยากพอคิดถึงบุหรี่ก็อยากสูบคิดถึงกาแฟก็อยากดื่มคิดถึงอะไรก็อยากได้แต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันเราก็จะไม่ไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นเรืั้นเราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดคิดได้ในเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ เช่นเวลาทำงานเราก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานทำงานทำการไปอันนี้คิดได้แต่ถ้าจะคิดไปเที่ยวคิดไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็หยุดมันดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ให้มาหาความสุขจากการหยุดคิดดีกว่าเพราะถ้าเราหยุดคิดได้ใจสงบใจจะมีความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อของตามความอยากไปทำบาปหรือว่าไปไปเที่ยวไปไหนกันอันนี้เป็นขั้นที่สําคัญที่สุดนะขั้นนี้คือเป็นขั้นที่จะทำให้จิตเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เราต้องมีสติสติก็คือเบรคของใจเบรคความคิด ถ้าเราคิดอยู่แล้วเราบอกให้หยุดคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกบอกให้อย่าคิดอย่าคิดแล้วอยากคิดได้ั้มมันก็ไม่ฟังเรามันก็ยังคิดต่อเฉั้นถ้ามันคิดต่อก็แสดงว่าเราไม่มีสติหยุดมันเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ต้องให้จิตคิดอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับสิ่งเดียวเช่นคิดอยู่กับพุทโธหรือจะคิดถึงพระพุทธคุณก็ได้ สวดบทอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสผักกาวา阿拉หังสัมมาสามพุทโธถ้าเราสวดได้ถ้าเราสวดไม่ได้ก็เอาสั้นๆกับพุทโธพุทโธไปฝึกหัดพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปเราจะพุทโธเป็นการพุทโธนี้ก็เหมือนกับการหัดหัดหัดทําอะไรถ้าเราไม่เคยทํามันจะทําไม่ได้หัดขับรถถ้าเราไม่เคยหัดขับรถมาก่อนอยู่ดีๆจะขึ้นขับรถไปมันขับไม่ได้หรอก เราต้องมาหัดขับรถรู้จักวิธีขับว่าต้องทำอย่างไรต้องเอากุญแจใส่สตาร์ทรถยังไงจะเข้าเกียร์เหยียบเบรกอย่างไรมันถึงจะวิ่งได้นมันต้องหัดพูดโธก็เหมือนกันถ้าเราไม่หัดมันถึงเวลาจะพูดโทมันพูดโธไม่ออกเพราะมันจะไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากพอมันคิดถึงเรื่องที่อยากมันติดเหมือนรถติดลมมันจะคิดอยู่แต่เรื่องนั้นจนกว่ามันจะได้สิ่งที่มันอยากมันถึงจะเลิกคิด แต่ถ้าเราใช้พุโทโธงัดสู้กับมันนะเรามันคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้อยากทําเราก็มาพุโทโธพุธโทโธสู้กับมันนะถ้าเราชนะถ้าพุโทโธชนะเราก็จะลืมเรื่องที่เราอยากทําอยากได้พอความอยากหายไปความเบา อ, อกเบาใจสบายใจก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ทําในขณะที่เราไม่ได้นั่งเฉยๆนะ หมายถึงเวลาเราทำอะไรต่างๆใจมันอยากเราก็ต้องสู้กับมันทันทีอย่าปล่อยให้มันอยากอย่าไปปล่อยคาับอย่าไปรอเวลามานั่งสมาธิก่อนอันนั้นไม่ทันการต้องใช้สติสู้กับมันไปก่อนแต่ถ้าเราอยากจะให้จิตเรานิ่งสงบอย่างเต็มที่นี่เราต้องมีเวลาให้ร่างกายได้นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเพราะถ้าร่างกายยังทำอยู่แสดงว่าใจยังทาอยู่ใจยังทางานอยู่ ใจยังคิดอยู่ใจยังต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจก็จะไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะให้สงบเต็มที่ก็ต้องมานั่งแต่เวลาฝึกสตินี้ไม่ต้องนั่งเฉยๆฝึกได้ในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวแต่มันจะไม่สงบนิ่งเหมือนสมาธิเท่านั้นเหมือนกับนั่งสมาธิแต่เราต้องฝึกสติก่อนถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะคิดต่อไป ถ้ามันคิดแล้วนั่งยังไงก็ไม่มีวันสงบได้ไม่มีวันนิ่งได้ดงั้นตอนต้นก็ต้องฝึกสติก่อนมันพุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดนั่นเราใช้พุโทโธจนเวลาเราเตรียมตัวตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาจะไปทำงานนี่เราเตรียมตัวเข้าห้องน้าห้องทาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร ทาอะไรเหล่านี้เราสามารถพุทธโธไปได้ใช้พุทธโธพุทธโธหัดท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจแล้วต่อไปเราจะคล่องเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธสู้กับมันได้พอเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปความอยากมันก็จะถอยไปมันตายมันไม่ตายมันจะตายแบบถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าการไปทําตามความอยากนี้ จะต้องไปเจอปัญหาไปเจอความทุกข์มากกว่าจะได้ความสุขต้องเห็นโทษสูบบุหรี่ก็จะต้องเจอโทษของการสูบบุหรี่เดินโซลาก็ยังเจอโทษของการเด่มสุลาเที่ยวผู้หญิงเที่ยวผู้ชายก็อาจจะไปติดโรคร้ายรงต่างๆมาไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนอื่นก็เดี๋ยวอาจจะถูกเขาฆ่าตายถ้าเขาจับได้ เห็นโทษเห็นภัยที่จะเกิดจากการกระทาตามความอยากแล้วมันจะไม่กล้าทามันจะเลิกทาไม่เอาดีกว่าบางทีที่ทำนี้มันไม่ไปคิดถึงผลที่จะผลกระทบที่จะกลับมาคิดแต่เห็นแต่ผลดีที่จะได้จากการกระทำแต่ถ้ามีเวลามานั่งวิเคราะห์ด้วยปัญญามันจะเห็นว่าการกระทาตามความอยากนี้มันจะมีปัญหาตามมาตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างน้อยก็คือมันจะไม่ความอยากมันจะไม่หมดมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์เพราะต่อไปร่างกายมันจะตอบสนองความอยากของเราไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้เวลานั้นก็จะมีแต่โรคซึมเศร้าเข้ามาโรคเหงาโรค ว, ว้าเหวบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มี เอยู่ไปไม่มีความสุขและไม่รู้หรอกว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของตนเองถ้าอยากจะฆ่าต้องฆ่าความอยากฆ่าความโลภถึงจะแก้ปัญหาถูกจุดไปแก้ไปฆ่าร่างกายไม่ได้ไปแก้ปัญหาต้นต้นเหตุปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่ความอยากต้องฆ่าความอยากต้องหยุดความอยากต้องทำลายความอยากถ้าทาลายความอยากได้ใจจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายทําอะไรก็ได้ร่างกายแก่ก็สุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สุขได้ร่างกายตายก็สุขได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ด้วยถ้าเราสามารถมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ความสุขแบบนี้จะเกิดจากการทําใจให้สงบจากการมีพุทธโธพุทธโธคอยกํากับ ความคิดคอยหยุดความคิดนะแล้วเวลานั่งสมาธินั่งเฉยๆจิตก็จะนิ่งพอนิ่งแล้วก็จะเกิดความสุขอันนี้ขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะให้ความสุขอันนี้อยู่กับใจอย่างถาวรก็ต้องคอยกําจัดตัวที่จะมาทําลายความสงบตัวที่ทําลายความสงบก็คือความอยากนั่นเองพอใจสงบปั๊บไปคิดถึงกาแฟมันก็หายสงบและมันก็มันก็อยากขึ้นมามันก็สั่นขึ้นมา ถ้ามันสั่นก็ต้องใช้ปัญญาบอกอย่าไปทําทําเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเออยู่กับความสงบดีกว่ากลับมาทําใจให้สงบหยุดความคิดถึงกาแฟดีกว่าพอไม่คิดถึงกาแฟความอยากกาแฟก็หยุดไปความสงบก็กลับมาใหม่ทางนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็มันก็จะหมดไปเพราะอยากก็รู้ว่าไม่ทํานะทําแล้วมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ น, นี่คือการใช้ปัญญา ถึงจะสามารถทำลายความอยากที่จะมาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบแล้วต่อไปเราจะมีความสุขไปตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหนก็จะสงบมีความสุขเพราะไม่มีตัวมาทำลายความสงบนี้แล้วคือตัวความอยากต่างๆหรือความโลภต่างๆความโลภกับความอยากก็ตัวเดียวกันเองแต่ท่านเปลี่ยนชื่อให้มันฟังจะได้ไม่เบื่อเท่านั้นเอง แต่ความจริงมันก็ตัวเดียวกันความโลภก็อยากได้ความอยากก็อยากได้เพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากทั้งปวงถ้าหยุดความอยากได้ความโกรธก็จะไม่มีความโกรธนั้นเกิดจากความอยากเนี่ยพอได้อะไรไม่ได้พออยากได้อะไรไม่ได้ก็โกรธคนที่ขัดขวางเราหรือคนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของเราเราก็จะโกรธเขาแล้วความอยากก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่า การทำตามความอยากนี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณความสุขไม่ได้อยู่ที่การทำตามความอยากความสุขอยู่ที่การไม่มีความอยากอันนี้ต้องมีคนมาบอกคือพระพุทธเจ้าถึงจะแก้วความหลงวันนี้ได้ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาบอกแล้ว<ม>ล ว, ว่าความสุขของเราอยู่ที่การไม่มีความอยากแล้วการจะมีการจะทำให้ความอยากหมดไปได้ก็ต้องฝืนมันในทุกรูปแบบมันอยากจะเอาเงินไปซื้อความอยาก ซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากก็เอาไปทำบุญแทนมันอยากจะทำบาปด้วยทำบาป ก, ก็ต้องหยุดมันมันอยากจะคิดก็ต้องหยุดมันแล้วต่อไปมันก็จะทำให้ความอยากหมดไปได้พอความอยากหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรมารบกวนใจใจจะสงบไปโดยธรรมชาติของมันตลอดเวลา24ชั่วโมง 7, 7วันต่ออาทิตย์ สาวันต่อหนึ่งเดือน365วันต่อปีใจจะไม่มีวันไม่สบายเลยมีแต่ความสบายใจตลอดเวลามีแต่ความสุขตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมานี่เกิดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ผู้ที่ปฏิบัติทานศีลภาวนาจนสำเร็จจนสามารถควบคุมกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป พอหมดแล้วก็ไม่มีกิจอะไรต้องทาอีกต่อไปใจมีความสุขแล้วไม่ต้องทําอะไรทําก็ไม่ได้มากกว่านี้เหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วจะเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้แค่แค่แก้วนั้นเท่านั้นมันก็จะล้นออกไปหมดแต่ถ้าทําก็ไม่ได้ทําเพื่อให้เพิ่มความสุขแต่ทําเพื่อประโยชน์ของคนอื่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสติแล้วได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วได้กาจัดความอยากหมดแล้ว พระ อ, องค์ก็ยังทางานอยู่แต่ทาไม่ได้ทำเพื่อตอนเองไม่ได้ทำเพื่อความสุขให้กับตนเองทำเพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการสั่งสอนธรรมะวันวันหนึ่งในพระพุทธเจ้าทำหน้าที่สอนธรรมะต้องสี่สี่รอบสามรอบตอนตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสามนเณรภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาดก็เล็งยานดูว่าจะไปสอนใครในเป็นเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ออกบิณตบาดโปรดสัตว์เนี่ ย, ยพระพุทธเจ้าทํากิจหลังจากที่พระองค์ได้สําเร็จแล้วไม่ได้ทําเพื่อตนเองบิณตบาดก็ทําเพื่อร่างกายเพื่อจะได้เอาร่างกายมาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเท่านั้นเองถ้าท่านไม่บินตบา้าถ้าท่านไม่สอนใครถ้าไม่ต้องบินตาบ้าก็ได้ท่านอดตายก็ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่มีข้าวกินท่า น, นก็ไม่เดือดร้อน เพราใจมันไม่ได้อาข้าวมันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันเป็นอาหารของร่างกายร่างกายตายไปก็ไม่เกี่ยวกับใจใจก็ยังเป็นยังสงบยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมนี่คือทำไมเราต้องมาทำบุญกันเราทำบุญแล้วแล้วเราก็จะได้ลดความอยากต่างๆแล้วเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้ว่านอกจากการทำบุญแล้วก็ต้องมีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิมีการใช้ปัญญาเรียนรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิ้นก็คือตัวความอยากเหล่า น, นี้ถ้าเรามีทําเหล่านี้ต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีอะไรให้เพราะมันสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้ นัต ส, สันติพลังสุขขังสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้คนได้ความสุขจากความสงบแล้วจึงไม่ต้องการอะไรดูพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสมบัติเข้าวของเงินทองไม่มียังอยู่เหมือนคนขอทานอยู่อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ใครเขาสร้างกุฏิให้อยู่ก็อยู่ไม่มีกุฏิก็อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้างอยู่ตามถ้บ้างเพรามัน ความสุขทางร่างกายมันสู้ความสุขทางใจไม่ได้พอมีความสุขทางใจแล้วทางร่างกายยังไงก็ได้ไม่เป็นปัญหาดัางนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนหรือเชื่อพระอริยสงสารที่จะสอนให้เรามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลกันถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามได้สักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระสาวก ก็จะมีแต่ความสุขจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเิวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกะกะปักปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพบริ่นตุจังกะปาจันโทปนะระโสยทามนิจติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทนาสีิทสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางอะไรงี้สบายดีแหละปฏิบัติธรรมอยู่เปล่าปฏิบัติไปเรนะืเอ่อยๆเนอะ ถึงแม้จะไปไม่มากไม่เร็วก็มันก็ไปอยู่ไปแบบเต่าค้างก็ยังดีกว่าไม่ไปเลยอย่าทำแบบหยุดทำบ้างหยุดบ้างทำอย่างต่อเนื่องดีกว่าวามันจะมันจะมีกำลังทำถ้าทำแล้วหยุดนี่พอจะมาเริ่มทำใหม่มันจ ะ, ะรู้สึกยากแต่ถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆมันจะรู้สึกง่ายกว่างนั้นพยายามถ้าไม่มีเหตุทำให้เราหยุดอย่าไปหยุดเลย เราพยายามทำเพิ่มให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ถึงเองมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การปฏิบัติแต่ก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยถ้าปฏิบัติแบบไม่ถูกก็ไปไม่ถึงเหมือนกันถึงแม้จะปฏิบัติเพราะไปไปผิดทางเราต้องคอยฟังเทศฟังธรรมคอยคอยเปรียบเทียบการกระทําของเรากับทางที่พระเจ้าสอนให้เรากระทาว่าตรงกันหรือเปล่า วันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ติดตามกันเะงินวันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบครับทาง y o u ู u หนึ่งร้อยสามสิบเก้าทางวิทยุยี่สิบเก้าครับข้างบนนี้มีสี่สิบสี่ครับเป็นทั้งหมดหกร้อยสองคนยังแต่หกร้อยอยู่นบเป็นงานราชบุรีติดตามทุกวันหรือเดี่ยวถ้าว่างก็ติดตามก็ถ้าว่างก็ติดตาม ไม่เหมือนใหม่ๆนะใหม่ๆตื่นเต้นพอฟังบ่อยๆเข้ามันก็จําเจซ้ํำซากอแต่มันก็ได้ไลเรื่อยๆเพราะเราฟังแต่ละครั้งมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะฟังผ่านไปครั้งแรกพอฟังใหม่มันก็เหมือนกับว่าไม่เคยได้ฟังมาก่อนเดี๋ยวพาคก็อยู่บนเขาเนี่ยอยู่ก็ไปในเขา อคนละมุมเงินหาจับมุมสงบของแต่ละคนไม่เห็นกันแยกกันเอยังไงมีคำถามอะไรนะั้มถ้ามีจะส่งไมไปให้อยากจะถามอะไรไหมมาไกลเนะี่ยมาจากราชบุรีเดี๋ยว ก, กลับเลยเลยมาเช้าเย็นกลับมาไปที่วัดบุญญาบ้านก่อนนะ รอบชา ว, วัดบุญยวัฒน์รอบบ่ายวัดยานสูตรประจำของคนต่างจังหวัดพาเยอะไ้ยตอนนี้ที่วัดบุญยวัฒนยี่สิบเอ็ดองค์สำนักปฏิบัติจะไม่ค่อยมากข้อมวนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปด มากแล้วมันจะพุกพลานอนักปฏิบัตินี้เขาจะมีจำนวนน้อยเพื่อจะได้รักษาความสงบวิเวกไว้ถ้ามีมากๆแล้วมันจะพุกพลานและจะควบคุมยากเอาเอาคุณภาพดีกว่าเอาปริมาณ พระพุทธเจ้าลูกเดียวนี่ดีกว่ามีพระเป็นแสนลูก ท, ที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นพระอริยบุคคลเนะพระอริยบุคคลลูกเดียวนี่ดีกว่าพระแสนลูกที่เป็นพระพุ้ดุชนเนีะพระพู้ดุชนก็แบบว่ายัางสอนอยังทําประโยชน์ไม่ได้แต่พระอริยบุคคลนี่ทําประโยชน์ให้แก่โลกได้สอนธรรมะทำทำแท้ได้พระพุ้ดุชนก็สอนทำปลอม ทำที่อาจจะเป็นธรรมแท้แต่พอตัวเองมาสอนก็เอาเอ า, เอาของปลอมของตัวออกมาผสมด้วยเอาความรู้สึกนึกคิดของตนมาผสมด้วยไปแปลงคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมแท้กายเป็นธรรมปลอมไปแต่ถ้าพระริยาบุคคลนี้จะไม่มีของปลอมมาแทรกอถึงแม้จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนก็สอนตรงไปตรงมาทุกอย่าง ไม่มีเพิ่มขึ้นแลไม่มีตัดทอนแต่ถ้าปุถุชนนี่บงทีมักจะชอบมาแต่งทำของอุธเจ้าเสริมตรงโน้นตัดตรงนี้ออกไปบางแห่งก็สอนให้ตัดสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิมีปัศนาไปเลยบางแห่งก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องทําบุญไม่ต้องรักษาศีลดูจิตอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการตลาดของคนสอนมากกว่า ต้องการให้สอนง่ายๆจะได้ดึงลูกค้าได้เยอะ <c oughs> ถ้าสอนยากไม่จะลูกค้าจะไม่ค่อยอยากจะเข้าถ้าสอนให้ทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิมันยากแต่ละอย่างยากเงินเงินก็อยากจะไปเที่ยวกันแต่อยากจะบรรลุกันแต่ก็เสียดายเงินเงินก็มนมนไม่มีวันบรรลุได้ถ้ายังติดกับการใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็หลุดไม่ได้ เงินทองมันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันมีคําสอนมีคําถามไหมคาถามจาก <c oughs> ทางบ้านนะครับจากคุณพัชสุตากราบนรมาสการพระอาจารย์ขอถามว่าการที่เราไปช่วยดูแลต้อนรับคณะสัตธาที่มาทอดผ้าป่าวัดบ้านของเราคอยดูแลอาหารการกินสถานที่อำนวยความสะดวก ตลอดงานเมื่อเสร็จสิ้นพระคุณเจ้าท่านได้มอบเงินให้กับข้าพระเจ้าจำนวนไม่มากจะถามว่าเมื่อรับเงินแล้วจะบาหรือเปล่าคะอ๋อไม่บาปหรอกเพราะว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจของพระคุณเจ้าที่เราไปช่วยเราจะรับก็ได้เรารับแล้วถ้าเราไม่อยากจะรับแต่แล้วควรจะรับด้วยโดยมรารยาทเขาให้คืเขามีน้าใจเหมือนกับเรามีน้าใจมาช่วยว่าเขาก็ให้เราช่วย พอแต่งว่ามีน้ำใจจะให้เงินตอบแทนเราเราก็รับไปถ้าเราไม่ได้เป็นคนเรียกร้องก็ไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นกิเลสนแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญเพิ่มก็เอาเงินที่เขาให้มานี้ไปทำบุญต่อเอาไปใส่ตู้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมอบคืนกับท่านโดยตรงเดี๋ยวมันจะเป็นมันก็คืนท่านไปก็เอาเงินไปหยอดใสต่ตู้จ่ายค่าน้าค่าไฟอะไรไปก็ได้ ถ้าเราอยากจะทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการรับผลตอบสิ่งตอบแทนจากวัดจากที่เราไปทำแต่ถ้าทางวัดเขาให้มาเราก็สามารถเอาไปใช้เองก็ได้ไม่เสียหายรับมาถ้าเกิดเรายัางต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่บ้านเราก็เอาไปจ่ายที่บ้านเราก่อนก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นเดือดร้อนที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้เราอยากจะได้บุญเพิ่มก็ทาบุญใส่ตู้ไปก็ได้ไม่บาปไม่ ถึงแม้จะขอก็ไม่บาปขอก็เป็นการเหมือนกับเป็นการมารับจ้างไปเป็นเวลาเราจะไปทํางานแล้วก็ตกลงราคาก่อนใช่ไหมจะมาทํางานที่นี้จะได้กี่ตังค์แล้วก็ตกลงแล้วทําเสร็จค้างเงินเราอย่างนี้ไม่ได้บุญเพราะเป็นการรับจ้างแลกเปลี่ยนสินค้าการเลือกแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างนี้จะไม่ได้บุญบุญจะได้ตามนู่นเราให้ประโยชน์ไปอย่างเดียวโดยที่ไม่รับประโยชน์กับ ตอบแทนกลับมาแต่ไม่บาปไม่ไม่เสียหายเป็นสัมมาอาชีพเป็นการทําอาชีพที่สุดจริตแม้จะทํากับวัดก็ตามบางคนกลัวมาทํางานกับวัดแล้วไม่กล้ารับเงินรับทองทกลัวจะบาปไม่บาปหรอกเพราะบางทีวัดก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องอจ้างคนมาทํางานเช่นบางทีกุฏิเสียกุฏิต้องสร้างกุฏิใหม่งี้ก็ต้องจ้างเข้ามาทํางานต้องจ่ายเงินงห้เขา คนมารับจ้างก็ไม่บาปอะไรกราบธรรมสการขอถามเรื่องการสวดมนต์บทยาวๆเช่นคาถามหาจักระพัทไว้ตลอดเวลาจะมีผลแบบเดียวกับการภาวนาพุโทโธหรือไม่ครับแบบเดียวกันเน่ยเพราะมันอุบายให้เราหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองเพราะถ้าเราสวดื่องเราบริกรรมพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆ ที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้คำถามจากคุณสิริมาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูชอบซื้อลูกสัตว์มาเลี้ยงเช่นลูกนกแล้วเคยได้ยินว่าถ้านำสัตว์เลี้ยงอย่างสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้ามาเลี้ยงจะขัดกับลาบที่กำลังจะได้จริงหรือไม่คะไม่เกี่ยวกันหรอกลาบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเลี้ยงสัตว์หรือไม่เลี้ยงสัตว์ ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันไห่ลามันจะขัดกับเพราะว่าอดีตเราไปทําบาปมาไปโกงเงินเข้ามาอย่างนี้อาจจะทําให้เราถูกเขาโกงเรากลับคืนมาเี่ทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปขโมยเงินของเขาชาตินี้ได้เงินมาก็อาจจะถูกเขามาขโมยเงินของเราไปลายทำนองนี้มากกว่าการเลี้ยงสัตว์มันไม่มาเกี่ยวกับการเรื่องขัดลาบขาดอะไรคําถามจากคุณบีนา เมื่อเวลาทำบุญปกติแล้วใจจะมีความสุขในการทำบุญแต่บางช่วงเวลาทำบุญแล้วเฉยๆอย่างนี้การทำบุญครั้งนั้นจะได้บุญไหมคะและได้บุญน้อยกว่าที่ใจมีความสุขในการทำบุญไหมคะอ๋อได้เท่ากันเพียงแต่ว่ามันเคยชินกับบุญที่ทำมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรไม่เหมือนครั้งทำใหม่ๆเวลาทำใหม่ๆมันรู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นกว่า ถ้าอยากจะให้มันสุขมากกว่าเดิมรู้สึกไม่ตื่นเต้นถ้าให้มันตื่นเต้นก็เพิ่มสิเคยทําพันหนึ่งก็ลองทําสองพันดูมันก็จะตื่นเต้นขึ้นมาใหม่แต่ความรู้สึกความอิ่มใจสุขใจมันก็มีอยู่ได้จากการทําบุญพันหนึ่งแต่มันชินละเหมือนกินข้าวเคยกินสองชามมันก็เท่านั้นถอยเคยกินทุกวันมันก็เท่านั้นถ้าอยากจะให้มันรู้สึกอิ่มกว่านั้นก็กินสามชามเลยมันก็จะอิ่มมากขึ้น คำถามจากคุณจันเพนการที่เราทําบุญทํากุศลทุกครั้งที่ตั้งจิตอธิษฐานอะไรสักอย่างแบบเดิมทุกวันมันจะสํำเร็จผลจริงไหมค ะ, ะคือการตั้งจิตอธิษฐานนี้ไม่ได้ตั้งเพื่อขอผลจากการทําบุญเพราะผลจากการทําบุญมันได้โดยอัตโนมัติไม่ตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้เป็นแต่จะช้าหรือเร็วนั่นเองส่วนใหญ่ผลจากการทําบุญนี้มันไม่ได้เกิดในชาตินี้ ส่วนใหญ่มันจะเกิดชาติหน้าถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆส่วนผลบุญที่ได้จากการทำในชาตินี้เลยก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดขึ้นทันทีจะจะตั้งอธิษฐานขอหรือไม่ก็ตามมันก็ได้อยู่แล้วคือความสุขใจอิ่มใจแล้วก็เวลาตายไปก็จะมีบุญติดตัวไปอันนี้ไม่ต้องขอไม่ต้องตั้งเวลาตั้งกิจอธิษฐานนี้ท่านไม่ให้ตั้งกิที่ผลของ ของบุญที่เราทําแต่ให้ตั้งให้เรามีความพยายามที่จะทําบุญไปเรื่อยๆคือ <c oughs> ให้ตั้งที่เหตุคือเช่นวันนี้เราทําบุญก็ตั้งจิตว่าตอบไปขอให้เราได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราเราจะได้ทําอยู่เรื่อยๆอย่าไปนั่งว่าขอทําบุญวันนี้แล้วขอให้ถูกหวอยอย่างนี้อันนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้บางทีได้บางทีไม่ได้มันไม่ได้ไดเกิดจากการขอแล้วไม่ขอ มันเกิดจากการที่มันจังหวะที่จะได้หรือไม่ได้เช่นทาบุญเช้านี้เดี๋ยวเย็นนี้ถูกหวยก็ได้จะขอหรือไม่ขอมันจะถูกมันก็ถูกถ้ามันไม่ถูกขอไงมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าขอให้ได้ทําบุญนี้มันจะได้ทําอยู่เรื่อยๆเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทํานี่พรุ่งนี้ก็ทําไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ทําบุญก็เตือนใจสอนใจว่าขอให้ได้ทําบุญไปเรื่อยๆเราก็จะสะสมบุญไปเรื่อยๆ เหมือนกับเวลาที่เรามีเงินมาแล้วก็ข อ, อไปฝากไว้ในธนาคารนี่เราก็ขอให้ฝากธนาคารเรื่อยๆพอได้เงินมาก็เอาไปใส่ธนาคารไม่เอาไปใช้ต่อไปเราก็มีเงินเยอะแยะขึ้นมาในธนาคารดังนง้นการอธิษฐานนี้ทางหลักของศาสนานี้ไม่ได้แปลว่าแปลว่าขออธิษฐานนี้แปลว่าตั้งใจตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายของการกระทาของเราว่าเราจะทาอะไร เพราะการกระทํานี่แหละที่จะเป็นเหตุให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ที่อยากไปนิพพานก็อย่าไปทําบุญเนี่ยแล้วขอให้ไปนิพพานมันไปไม่ได้ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องสร้างเหตุที่จะทําให้เราไปนิพพานแต่การสร้างเหตุของการไปนิพพานก็คือต้องกะกำจัดความอยากต่า ง, างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็ต้องตั้งจิตว่าต่อไปนี้จะขอกําจัดความอยากทุกชนิดที่มีในใจให้หมดไปมีความอยากอะไรโผล่ก็มาก็ตัดมันไปเฟยมันไป อย่ง น, นี้เดี๋ยวก็ไปถึงนี่ผ่านได้คำถามจากครูแดงกราบนมัสการพระอาจารย์การที่เราจะละหรือลดความโกรธเกลียดอิจฉาโลภในชีวิตประจำวันจะทำอย่างไรครับเราก็ต้องลดความอยากของเราลงเราก็ดูตามความสามารถของเราอย่าไปแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเรา ถ้าเรามีสมรรถภาพน้อยอยากจะได้มากก็เพิ่มสมรรถภาพในตัวเราแต่อย่าไปวัดตัวเรากับคนอื่นเพราะคนเรานี้มีสมรรถภาพความสามารถมีบุญบา ร, รมีสะสมมาไม่เท่ากันคนที่สะสมบุญบา ร, รมีมามาก ม, มีความสามารถมากเขาก็หาอะไรได้มากกว่าเราถ้าเราอยากจะได้มากเราก็ต้องสร้างความสามารถของเราให้มีมากขึ้น ไม่ใช่ไปอิจฉาลิษยาไปโกรธเขามันไม่ได้ทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้อย่างนั้นขอให้เราแข่งกับตัวเรามองที่ตัวเราที่เราด้อยก็เพราะว่าเราตัวเราเองมันด้อยเราต้องทําให้มันดีขึ้นขยันมากขึ้นหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นทําความดีให้มากขึ้นเราผลดีต่างๆที่เรายังไม่ได้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเอง คำถามนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามเมื่อทำบุญแล้วเราสามารถส่งผลบุญให้แก่บิดามารดาญาติญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะมันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญนี้ส่งให้แต่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นบุญส่วนย่อยนิดเดียวเป็นเป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเช่น สำหรับคนที่อยู่เนี่ยถ้าเขาทําเองเขาจะได้บุญเยอะกว่าที่เราบุญที่จะส่งไปให้เขาเอาน่น mm. ถ้าอยายกให้เขาได้บุญก็ชวนเขาไปทําบุญสิ mm. ชวนให้เขาไปทําบุญแล้วเขาก็จะได้บุญเยอะแยะเลยอ mm. ส่วนบุญที่บูทิดไปนี่ให้ให้กับผู้รงรับไปนี้มันส่งไปได้นิดเดียว mm. ตามธรรมชาติของบุญธรรมชาติของผู้รับเนี่ยเขารับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ค ำ, คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการให้พรผู้อื่นให้เขาดีมีความสุขประสบความสําเร็จเป็นกิเลสไหมเจ้าคะ่ะไม่เป็นหล้กก็เป็นเมตตาความปรารถนาดีวันวันเกิดใครแล้วก็ส่งซอกซอส่งการอะไรไปเขียนข้อความให้เขาอ่านแล้วก็มีความสุขนี่แ เ, เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่เป็นกิเลสความปรารถนาให้ผู้อื่นก็มีความสุขความเจริญ น, นี้ไม่เป็นกิเลส คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมการภาวนาถึงต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานกำลังถ้าเริ่มจากภาวนาเลยโดยไม่เคยทำทานรักษาศีลจะได้ไหมคะก็แล้วแต่ถ้าเรายังใช้เงินอยู่ใช้เงินไปเที่ยวเราก็ต้องไปหาเงินอยู่เรื่อยเมื่อเราหาเงินเราก็อาจจะต้องทำบา รักษาศีลไม่ได้เราก็จะวุ่นวายกับการหาเงินใช้เงินวุ่นวายกับการทําบาปก็จะไม่มีเวลาไปภาวนาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปภาวนาได้เราจะไม่ทําบุญก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้เพราะว่าศีลมันก็เกิดเวลาเราปฏิบัติมันก็รักษาศีลไปในตัวอยู่แล้วเวลานั่งฟังเทศน์นี้เราทําบาปหรือเปล่าเวลานั่งสมาธิเราทําบาปหรือเปล่าเราไม่ได้ทําบาปเองแต่ว่าเราจะทําได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเอง ถ้าเคยกินเหล้าอยู่นี่เดี๋ยวพอถึงเวลาเย็นก็อยากจะกินเหล้าขึ้นมาพอจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แล้วถึงเวลากินเหล้าก็ต้องกินเหล้าแทนแต่ถ้าเราเล week, ิกกินเหล้าได้ถือศีลห้าได้เราก็ถึงเวลาจะกินเหล้าก็ไม่ต้องกินถ้าถือศีลแปดได้ถึงเวลาจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินก็จะนั่งสมาธิได้ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีทานเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมา นั่งสมาธิกันเพราะการนั่งนี้มันไม่ใช่นั่งแค่ครั้งสองครั้งทีละครึ่งชั่วโมงอะไรมันต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถึงจะเรียกว่าปฏิบัติจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันที่เราปฏิบัติกันนี้เป็นการแบบชิมหรือดูหนังตัวอย่างเท่านี้ดูหนังตัวอย่างแล้วดูแค่นาทีเดียวก็พอดูแล้ ว, วเรื่องหนังมันเป็นยังไงมีแต่ถ้าอยากจะดูหนังทั้งเรื่องมันก็ต้องดูทั้งเรื่อง ถ้าอยากจะภาวนาเพื่อให้ได้ผลจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนคำถามจากคุณจ๋องโยมพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกวันแต่ออกมาข้างนอกปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าอยู่วัดแต่ยังดีกว่าไม่ทําเลยมีอุบายอย่างไรให้รักษาความตั้งใจให้ตลอดรอดฟังเจ้าคะก็อย่ากรำละสิ <laughs> ง่ายจะตายไปของง่ายไม่ทํามาคิดหาวิธีทํำยากๆ ก, กันเอาไมเข้าๆอากอกๆเหมันก็อย่างนี้ชักเข้าชักออกเหมือนปลูกต้นไม้เนะี่ยปลูกได้วันสองวันก็ย้ายที่แล้วเดี๋ยวพอลงที่ใหม่อีกสองวันก็ย้ายที่ต้นไม้มันก็ไม่มีวันเจริญเติบโตได้อยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตต้องปลูกที่เดียวแล้วก็คอยลดน้ําพรวนดินอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจริญเติบโตขึ้นมา ถ้าคอยเปลี่ยนที่เปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เรื่อยสามวันดีสีวันไข้วันไหนอยากจะนั่งก็เข้าวัดวันไหนไม่อยากจะเที่ยวก็ออกจากวัดนี่มันก็ไม่มีวันที่จะไปตลอดรอดฝั่งได้คำ ถ, ถามนะครับเราไม่อยากเลี้ยงสัตว์เพราะไม่อยากมีภาระผูกพันแต่ให้ข้าวน้ำเขาได้ด้วยความสุขใจอย่างนี้เป็นความเมตตาไหมคะเค ใ, ให้เขาให้เขามีอาหารกินให้เขามีความสุข เราไม่ต้องผูกพันกับเขาก็ได้ไปล่อยใหเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไปถึง เ, เวลาก็อยากจะกินก็มีข้าวให้ก็กินมีน้ำก็ดื่มเสรนล่าก็จะไปไหนก็เรื่องของเขาไปดีกว่ามาเลี้ยงแล้วมาเอาปลอกคอใส่แล้วก็ผูกเขาไว้กับเสาหรืออะไรแล้กขังไว้ในบ้านอันนี้เลี้ยงแบบแบบกักขังเลี้ยงแบบรักโทษเขาก็จะถึงแม้เขจะมีความสุขจากการกินการดื่มน้าอะไร แต่เขาไม่มีสลภาพที่เขาจะไปทำอะไรตามความต้องการของเขาคำถามจากคุณนริศราหลานชายฝากเงินมาทำบุญตอนนี้เขาป่วยหนักเป็นโรคไตเสื่อมอยู่โรงพยาบาลเราไปทำบุญให้แล้วบอกเขาเขาจะได้รับหรือไม่คะ อ, อบุญต้องเกิดจากตัวเขาเป็นคนสั่งเขาต้องคิดเองว่าอยากจะทำบุญแล้วก็เอาเงินของเขาให้เราไปทาบุญ แล้วพอเราทําเสร็จไปบอกเขาเขาก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ไปรักษาโรคตายไม่ได้นะทำบุญนี่รักษาโรคใจที่ไม่สบายกับความเป็นโรคตายได้อยู่ใจจะเบาจะเย็นจะสบายขึ้นคําถามจากคุณเคสกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะได้อ่านข่าวว่ามีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งอายุหนึ่งร้อยสี่ปีอยู่ออสเตรเลียประสงค์อยากไป ประสงค์อยากไปคลินิกค่าตัวตายที่สวิตเซอร์แลนด์ทําให้มีคนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้จํานวนมากเพื่อให้ท่านนั้นเดินทางไปค่าตัวตายได้ตามความตั้งใจ อ, อยากทราบว่าผู้ที่บริจาคเงินจะได้บุญหรือบาปคะถ้าได้ทั้งสองอย่างบุญกับบาปอย่างไหนมากกว่ากันก็ถูกหลอกฆ่าตัวตายมันไม่ต้องไปนั่งเครื่องบินใบอีกประเทศหนึ่ง อยู่ที่ไหนก็ฆ่าตัวตายได้มันจะยากตรงไห น, นเอาอะไรมารัดจะบุกไว้แม่หายใจยมันก็ตายแล้วแต่ไมต้องไปเลี่ยายเงินเพื่อให้ไปถูกหลอกมั้งเขาไม่ไปฆ่าตัวตายจริงพอเขาได้เงินแล้วเขาก็ไปเที่ยวไห่อีนูที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไปนนัดไห่อีนูแถวสวิตเซอร์แลนด์นยก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเหตุมีผลนะแต่พูดถึงการฆ่าตัวตายนี้มันเป็นบาป พราะมันเกิดเป็นความงุ่เข่าเบาปรราัญญาเพราะว่าไปค่าร่างกายไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวที่ปัญหาก็คือตัวความอยากพอร่างกายแก่มันก็เลยตอบสนองความอยากไม่ได้อยากจะเที่ยวอยากจะทําอะไรเหมือนตอนที่เป็นหนุม่มเป็นสาวไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะหนีความทุกข์ด้วยการคิดว่าถ้าตายแล้วความทุกข์จะหายไปความทุกข์ไม่หายเพราะความทุกข์เปนอยู่ในใจกิเลสความอยากก็อยู่ในใจ ก็ยังทุกข์ต่อไปจะทุกข์มากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าตัวตายเสียดายซ้ำไปแล้วก็เวลากลับมาเกิดใหม่ความอยากนีก็จะมาพาพาพาพาให้เรามาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่ใหม่แล้วก็ต้องมาฆ่าตัวตายใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆยันไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเป็นการติดอยู่กับวงจร อ, อุบาทิเลจะต้องมีการฆ่าตัวตายไปารอยห5า0้ารชาติ ทำอะไรแล้วมันจะทำอย่างนั้นซ้ํากแก้ปัญหาแบบไหนมันก็จะแก้ปัญหาอย่างนั้นถ้าแก้ปัญหาด้วยการเดิ่มสุรามันก็จะไปเดิ่มสุราแก้ปัญหาด้วยการไปเที่ยวมันก็จะไปเที่ยวมันแต่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องมาทำลายความอยากต่างๆคำถามจากคุณจันผาพระอาจารย์ครับนักบวชพวกฤษีหรือดาบด ในสมัยพุทธกาลสามารถปฏิบัติจนได้สมาธิได้ชาญสมาบัติและมีความสุขในสมาธิเขาก็เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายอยู่เหมือนกันความรู้ความเห็นอะไรที่เขาไม่รู้จึงไม่สามารถผลถูกได้ครับเพราะว่าเขายังไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายเขาจะไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมา เขาไม่รู้ว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้เกิดจากอะไร <Yeah. S 1> ก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มาค้นพบว่าเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ <Yeah. S 1> อยากอยู่ไป <Yeah. S 1> นานๆ <Yeah. S 1> อยากหาความสุขจากการนั่งสมาธิหรือ <Yeah. S 1> ถ้าถ้าเป็นพวกเที่ยวก็อยากจะหาความสุขจากการเที่ยวอะไรต่างๆนี้ <Yeah. S 1> เขาก็เลยยังทุกข์อยู่ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ไปศึกษากับใครเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงไม่ให้ทุกเวลาออกจากสมาธิมาทุกหายไปตอนที่เข้าสมาธิเพราะตอนนั้นความอยากถูกถูกกดไว้แต่พอออกมาพอเห็นเั็นร่างกายเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็อยากไม่แก่กลัวความแก่กลัวความเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ถ้าไม่อยากจะทุกข์พระพุทธเจ้า ก, ก็มาค้นพบว่าก็อย่าไปกลัวอย่าไปอยากสิ ร่างกายยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้อยู่แล้วแต่เราสามารถอยู่แบบไม่ทุกข์ได้กับมันถ้าเราปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายพระุธเจ้าคนพบอริยสัจสรู้ว่าความไม่สบายใจรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจนี่ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพอไม่มีความอยากในใจแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย คำถามจากคุณปอมขอถามพระอาจารย์เรื่องการทําอาชีพนักสแสดงนักร้องนักดนตรีอาชีพเหล่านี้นําความสําราญมาให้แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้หลงไหลไร้สติเคยอา่านผ่านๆว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นนักสแสดงนั้นบาปเลยอยากถามพระอาจารย์ค่ะว่าจริงๆแล้วมันบาปหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน อาชีพที่บางทีมันก็ถ้าไม่สบายหรือมีอะไรทางร่างกายก็จะไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้ก็เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแล้วเป็นอาชีพที่ทำให้เราแบบว่าอาจจะประมาทคือหาเงินได้ง่ายพอได้ง่ายก็จะใช้ง่ายสังเกตไหมนักแสดงเวลาดังน่โอใช้เงินใช้ทองกันเป็นบ้าเป็นบอ แล้วเวลาแก่ขึ้นมากลายเป็นคนจนไปต้องมาขอให้คนนู้นคนนี้มาช่วยสงเคราะห์ตนเพราะเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงนอนาคตเนี่ยไม่ได้คิดว่านอนาคตนี้จะตนเองจะต้องไม่สามารถแสดงได้ก็ เ, เลยไม่เคยคิดถึงกับการที่จะสะสมเก็บเงินทองไว้สำหรับดูแลตนเองเพราะหลงไหลกับ อ, อยู่กันในองการที่ต้องใช้เงินก็มันก็เลยต้องใช้ไปเรื่อย อันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นคงถาวรเหมือนาอาชีพอื่นเพราะบางทีหามาง่ายมันก็จะใช้ง่ายแต่ถ้าไปทำอาชีพอื่นมันหายากมันเห็นคุณค่าของเงินทองมันก็อาจจะรักษาเงินทองไว้ได้มั่นคงกว่าจะเป็นอาชีพที่สามารถทำไปได้เรื่อยๆนานกว่าอาชีพของการแสดงอาชีพของการแสดงอาจจะอยู่ในช่วงที่เรามีสุขภาพแข็งแรงร่างกาย มีรูปนั่งหน้าตาสวยงามเลยพอเริ่มแก่ก็มันก็ทำไม่ได้นะคำถามจากคุณอำนวยผมได้ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยผู้กู้นำบ้านมาทำสัญญาขายฝากไว้ครับแต่ผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินดอกเบี้ยและใช้เงินต้นคืนครับผมได้ผ่อนผันเลื่อนเวลา แต่ก็ยังไม่สามารถคืนเงินได้ขอรับจึงจำเป็นต้องยึดบ้านเขาตามสัญญาผมจะบาปไหมขอรับและการรับดอกเบี้ยถ้าตกลงไว้โดยสมยอมผมจะบาปหรือไม่ขอรับกราบนรมัสการครับไม่บาปเราก็เป็นการทำการค้าเราขายเงินแล้วเขาก็เอาบ้านมามาให้เราแลกเปลี่ยนกันก็เหมือนการการซื้อบ้านพอพอถึงเวลา เขาไม่สามารถที่จะเอาเงินมาคืนเราได้เขาก็บอกเขาก็ยกบ้านให้เร า, เาก็ไม่บาปตรงไหนเป็นการทํามาค้าขายที่สุดเจริญคําถามครับกราบนมัสการพระอาจารย์ผมมีความสงสัยเรื่องจิตวิญญาณความคิดและกายทิพย์คืออันเดียวกันหรือเปล่าครับอันเดียวกันตัวคิดตัวรูเออ้เวลาอยู่ร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิด พอออกจากร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากผู้รู้จากจิตใจไปเป็นวิญญาณทั้เองดวงวิญญาณเหมือนตอนเราเป็นเด็กก็เป็นเด็กหญิงเด็กชายพอโตขึ้นมาก็เป็นนางสาวนายไปคนคนเดียวกันแต่สภาพเปลี่ยนไปก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ท่านนีนงตัวเดียวกันตัวเก่าคำถามนะครับ จะวางใจอย่างไรดีคะเมื่อถูกคุกคามทางเพศอาทิเช่นถูกลวนลามจับก้นจับหน้าอกถูกมองถูกขโมยชุดชั้นในเราควรจะมีเมตตาให้อภัยเขาใช่ไหมคะแต่บางทีนึกแล้วมันก็ปรีดมากคะ่ะก็นั่นแหละก็คือไปกดเขามันก็ทำไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไร การแก้ปัญหาก็คือพยายามระมัดระวังอย่าไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับคนที่ชอบลวนลามแล้วก็อย่าไปทำตัวให้เขาอยากจะลวนลามเราลองแต่งเสื้อผ้าสกปกให้ดูมันคงยังไม่กล้าเข้ามาใกล้แตะเราหรอกนะแต่ถ้าเราไปแต่งตัวแบบทำให้เขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็อยากที่จะไป แต่ต้องตัวเรายันวนอย่างก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่การดำรงตัวเราว่ามันไปไปท้าทายต่อความอยากต่ออารมณ์ของเขาหรือไม่อันหนึง่งแต่เรื่องไปโกรธเขานี้อย่าไปโกรธเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแล้วอาจจะไปทำร้ายเขาหรือไปตอบโต้เขา แล้วทําให้เขากลับมาโกรธเราแล้วมาตอบโต้เราเองงั้นเราต้องใช้มาตรกา ร, ร่วงกันตัวเราเองดีกว่าพยายามอาทําตัวแบบไม่ให้เขามามารวนรามเราแต่งกายอย่าไปแต่งกายแบบล่อแหลมเสียใช่ไหมเราเราแต่งกายใส่กระโปรงถึงติดดินอยู่อย่าเงี้ยติดพื้นอยู่ใส่เสื้อผ้าหลวมๆมองไม่เห็นสัดส่วนอะไรของร่างกายเขาเห็นแล้วเขาก็จะไม่เกิดอารมณ์ไม่อยากจะมา แต่ทีนี้สังคมมันก็ตามกันอ่ะสังคมสมัยนี้ชอบแต่งกายแบบแบบแบบท้าทายกันไปท้าทายเขาเนี่ยกิเลสมันพอมันเกิดขึ้นมามันก็หักมันก็หยุดไปได้คนที่ไม่มีสติมันก็อยากที่จะไปแตะต้องเนื้อต้องตัวกันเพราะนั้นก็ต้องพยายามอย่าไปทําตัวให้มันเป็นเป็นเป้าให้เขาอยากจะมาลวนรามเรา แล้พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าไปอยู่ที่เปลี่ยวที่สองต่อสองอะไรทานองน้ถ้าไปอยู่ที่เปลี่ยวพอมีเพศตรงการข้ามผู้ชายที่เรากขาอาจจะมาลวนลามเราได้ก็รีบรีบหนีไปซนะอย่าไปอยู่ตรงนั้นถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ทำให้เขามีโอกาสที่จะมาลวนลามเราเราอยู่ในสังคมมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเหล่านี้คนเป็นอย่างนี้ นั่นเราก็ต้องรู้จักาพาตัวเราให้ไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเป็นหญิงเป็นสาวนี่อย่าไปอยู่คนเดียวสองต่อสองอยู่ในที่เปลี่ยวเพราะเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นในที่เปลี่ยวมันไม่เกิดในที่ที่มีคนเยอะๆอย่างตรง น, นี้ไม่มีใครมากล้านั่งลวนลางกันหรอก แต่ถ้าเกิดไม่มีใครนั่งอยู่สองต่อสองนี่เดี๋ยวมันก็นวนลามกันได้อันนี้ก็ต้องรู้จักวิธีที่จะอป้องกันตัวเองเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะกิเลส ข, ของคนมันเป็นอย่างนี้แต่เรามีมาตรการที่จะลดความเสี่ยงได้แต่ก็คงไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอบ้างเพราะเรื่องของเพศมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้ว เพศหญิงกับเพศชายมันก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันอยู่สองต่อสองมันมีช่องทางเมื่อไหร่มันก็จ ะ, ะเข้าหากันคำถามจากคุณธเนศคนปฏิบัติธรรมมีโอกาสเป็นโรคน้อยกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับก็ไม่แน่นอนบางคนปฏิบัติธรรมแต่จะมีโลกกรรมพันมาอย่างนี้มันก็ติดมากับร่างกายมาจากพ่อแม่ จะไปปฏิบัติธรรมยังไง ม, มันก็มันก็มีแต่ถ้าพูดโดยโดยโดยรวมเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีโรคได้เช่นไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็ตัดปัญหาเรื่องเสี่ยงแก่การมีโรคต่างๆได้เยอะแล้วกินอาหารมื้อเดียวอย่างเงี้ยกินน้อ ย, อยมันก็จะไม่มีโรคอ้วนไม่มีโรคความดันไม่มีโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆเข้ามาอันนี้ก็มีส่วน คำถามจากคุณสุวรรณากราบเรียนถามเจ้าค่ะเมื่อภาวนาเข้าสู่ความสงบพุทโธหายไปลมหายใจหายไปมีแต่ผู้รู้พอสักพักผู้รู้ก็หายไปรู้สึกเคว้งคว้างเลยตกใจจึงกลับมามีสติอยู่กับผู้รู้อีกอย่างนี้ถือว่าถูกต้องหรือต้องปล่อยให้ผู้รู้หายไปผู้รู้ไม่หายหรอกถ้าผู้รู้หายไปคุณจะรู้ยังไงว่าผู้รู้หายไป อ่มันไปคิดเองว่าผู้รู้หายไปผู้รู้ก็คือผู้รู้ว่าอะไรหายไปหรือไม่หายไปมันไม่หาย่ผู้รู้ไม่มีวันหายถ้าหายมันก็จะไม่รู้อะไรเหมือนคนนอนหลับผู้รู้จะหายก็เมื่อไม่มีสติไม่รู้อะไรเลยนั่งไม่รู้ว่านั่งสมาธิหรือนั่งหลับก็ไม่รู้อย่างนี้แสดงว่าผู้รู้หายไปแต่ถ้ารู้ว่าผู้รู้หายไปนี้แสดงว่าหลงนะแสดงว่าตัวที่เราคิดว่าเป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้รู้แล้วผู้รู้จะไป หายได้ไงมันก็เป็นผู้รู้อ่ะมันก็ต้องรู้รู้ว่าเวลาหายไปมันก็รู้ว่าหายไปนี่ยอาจอาจะออาจจะหมายคำว่าสติหายไปมั้งเครับเขาถามว่าต้องปฏิบัติอย่างไรหรือแก้ไขอย่างไรครับก็ดึงผู้รู้กลับมาสิถ้าไม่กลับมาก็ใช้พุทโธดึงกลับมาพุทโธพุทโธกลับมาใหม่คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่กราบเรียนถามพระอาจารย์ ว่าเหตุเพราะความอยากที่ทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากภายในวัตฏะสงสารได้การภาวนาให้ละความอยากได้จะทำให้หลุดพ้นได้ใช่ไหมคะใช่การภาวนานจะทำลายความอยากให้หมดไปมีสองขั้นวิปัสสธรมะกับวิปัสสนาขั้นต้นก็หยุดความอยากด้วยสติขั้นที่สองก็ใช้ปัญญากำจัดมัน คำถามจากคุณจ่องครับถ้าเราตายและยังเป็นหนี้แบงค์เช่นบ้านรถรถยนต์อยู่ชาติหน้าเราต้องใช้หนี้เขาไหมคะแบงค์เาขาคงไม่ปล่อยให้เรากู้โดยไม่มีหลักทรัพย์หรอกเอาน่าถ้าเราตายไปเขาก็ยึดหลักทรัพย์ของเราไปก็ไม่เป็นหนี้กันเพราะว่าเป็นการใช้หนี้อยู่แล้วนอกจากว่าเราไปยืมเงินเพื่อนอย่างนี้โดยยืมปากปล่าแล้วเพื่อนก็ค่ายืมมาแล้วเราตายไปไม่ได้ใช้ เงินเขาชาหน้าเขาอาจจะมาขอยืมเงินเราก็ได้คำถามจากคุณสุธามนถามว่าเมื่อตายไปแล้วคนมาเข้าฝันอยากได้สิ่งของจริงไหมคะคนที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันอยากได้สิ่งของก็มีบ้างแล้วแต่คนที่ตายไปนี่เขาทั้งกายตายไปแต่ใจเขาไม่ตายใจเขาสามารถติดต่อใจเราได้ แต่ต้องติดต่อช่วงที่ใจเราไม่ทํางานช่วงที่เราหลับเนี่ยช่วงที่เราทํางานใจเราคิดอยู่เรื่องที่เขาจะเขาจะเข้ามาติดต่อก็เข้ามาไม่ได้แต่เวลาเรานอนหลับเราเราไม่ได้คิดเนยะ <Glass. S 2> 네บางทีเขาก็เข้ามาได้แต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นเขาเข้ามาบางทีเราคิดไปเองก็ได้งั้นเราต้องต้องรู้จักแยกแยะว่าเป็นเขาเข้ามาหรือเราไปคิดถึงเขา <athlete> ถ้าแยกแยะไม่ได้ก็ ก, ก็อย่าพึ่งไปคิดว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คำถามจากคุณ น, นีขออนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าคะ่ะถ้าเราจัดอาหารหวานขาวไหวสารพระภูมิเจ้าที่หรือแก้บนเสร็จแล้วถ้านำไปทำบุญถวายพระจะบาปไหมเจ้าคะ่ะไมไ่บาปหรอกเอาไปทำก็ได้เพียแต่เขาไม่ดียมกันเขาถือว่าของนี้ให้กับพูมไปแล้วถ้าไปทำบุญก็เหมือนกับไปขโมยไปขอคืนทางที่ดีถ้าอยากจะ ให้ผมให้สารเจ้าไปก็ต้องเอาไปทิ้งแนคะ่นั้นเพราะว่ามันเป็นของผมแล้วเป็นของสารเจ้าแล้วใช่ไหมถ้าเรามาคือเอามากินเองมันก็เหมือนกับเราเล่นลิงหลอกเจ้าเอาอาหารไปวางไว้พจ้าฟ้กากมากินเองเอจ้าเจ้าก็ไม่ได้กินเนี่ยเ้าไปทำบุญเราก็ได้บุญเจ้าก็ไม่ได้กินอยู่ดีถ้าเราเชื่อว่ามีเจ้าจริงๆ เจ้าเขาก็ไม่กินอาหารอยู่แล้วใช่อาหารนี่มันเป็นของพวกที่มีร่างกายอย่างมนุษย์หรือสัตว์เท่านั้นเองถ้าอยากจะทำบุญกับเจ้าก็ต้องทำบุญด้วยการปฏิบัติบูบชาหรือสละหรืออสาสมิสบูชาก็เอาเครื่องบูชาเช่นดอกไม้ทูกเทียนไปไหว้เขาอย่างนั้นเองหรือทาความดีแล้วกบ็บูชาด้วยการทำความดีคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม หากเราประสบความทุกข์ใจไม่อยากตกอยู่ในสถานะที่ไม่ชอบใจในปัจจุบันเราสามารถแก้ไขด้วยการเจริญสติและทำสมาธิให้มีความสุขมากขึ้นเป็นวิธีที่แก้ไขถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องเพราะปัญหาเกิดจากความอยากของเราที่ทำให้เราไม่ไ ม, ไม่มีความสุขถึงแม้าเราจะมีมากมีน้อยเราก็ยังมีความไม่สบายใจได้ แล้วถ้าเราทําสมาธิใจสงบได้ความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปคําถามจากคุณแสนชัยขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับกลัวผีทําอย่างไรจะเลิกกลัวผีให้หายขาดเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไปเดินป่าช้ากลางคืนคนเดียวก็จะไม่กล้าไปกันพระโสดาบันยังมีกลัวผีไหมครับอ๋อไม่กลัวหรอกเพราะโสดาบันท่าไม่กลัวตาย ที่เรากลัวผีกันก็กลัวตายกันกลัวผีจะมาทำให้เราตายกันยิ่งถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะไม่กลัวอะไรถ้ายังยอมไม่ได้ก็เยลาเกิดความกลัวก็หยุดความกลัวด้วยการใช้พุทโธพุทโธไปที่เรากลัวเพราะเราไปคิดถึงมันเองพอคิดแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความคิดถึงสิ่งที่เรากลัวได้ความกลัวก็จะหายไป คำถามจากคุณจิรศักดิ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับบางวันทาสมาธิแล้วจิตสงบมีกําลังสติดีรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์และแก้ไขอารมณ์ทำให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอได้แต่บางวันจิตไม่ค่อยสงบมักจะหลงไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีสติรู้อยู่แต่ไม่สามารถแก้ไขให้จิตเป็นกลางได้ ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำและแก้ไขครับสติกำลังบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันมากก็คุมอารมณ์ได้บางวันไม่มากก็คุมไม่ได้วันไหนที่คุมไม่ได้ก็ต้องพยายามพุทโธพอรู้ว่ากำลังคุมไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปเลยเหมือนเติมเติมลมให้กับยางเนี่ยางมันเริ่มแฟบนะก็ต้องรีบเติมให้มันมีมีลมลถจะได้วิ่งได้เรียบร้อย สติของเราบางวันก็มากบางวันก็น้อยพอวันน้อยก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็ต้องพยายนพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆก็จะควบคุมได้หมดแล้วเลยมีครับเอาเลยคําถามจากคุณแจส์แจสมินครับอะไรคือตัวก่อภพก่อชาติเจ้าคะความอยากไงความอยากแล้วตัวที่ทําให้อยากก็คือความหลง หลวไม่คิดว่าความอยากความสุขอยู่ที่การมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เสียงลูกเสียงกลิ่นรสกันความจริงถ้ารู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบก็ถ้าหาความสงบได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีไม่มีความอยากไม่ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องเกิดใหม่ร่างกายนี้ตายไปก็จบ คำถามจากคุณสุภาวดีกราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะคือหนูตัดความอยากอย่างอื่นได้แต่ทำไมถึงตัดความอยากกินไม่ได้คะวันวันหนึ่งหนูมีแต่ความคิดอยากจะทำนั่นกินทำนู่นกินอยู่ตลอดเลยแม้กระทั่งอิ่มอยู่ครับอันนี้คำถามสุดท้ายเนะีเพว่ะว่าหนูไม่มีวิธีแก้ความอยากแบบนี้ไนงะวิธีการแก้ความอยากแบบนี้ก็คืออย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจาน ให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรืออยู่ในลาไส้เวลามันออกมาแล้วอยากจะกินไหมให้นึกถึงภาพมันถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะหายอยากเราต้องมีวิธีแก้เราไม่รู้จักใช้วิธีแก้เวลาคิดถึงอาหารที่รก็คิดถึงอาหารที่อยู่ในจานมีควันลอยออกมามีกลิ่นหอมมีรูปหน้ารูปร่างหน้าตาหน้ากินมันก็หิวขึ้นมา ถ้าเราคิดว่าเวลาที่มันเคี้ยวอยู่ในปากก็เราคลาอยออกมาดูได้แล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ได้ไหมอาหารที่กําลังอริดอร่อยที่กําลังเคี้ยวอยู่เนี่ก่อนจะเกินมันขอดูหน้าตาก่อนได้ไหมแล้วค่อยเกินมันคลายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่หรือเวลาที่มันอยู่ในท้องแล้วมันอาเจียนออกมาตัดเข้าไปกินใหม่ได้ไะมทำไมมันอยู่ในท้องไม่เป็นไรพอออกมานอกท้องแล้วเอากลับเข้าไปไม่ได้มันก็ของอันเดียวกันไม่ใช่เลยใช่ไหมอ่า อันนี้แหะคือวิธีแก้ความหิวความอยากกินอาหารให้นึกถึงสภาพที่ไม่น่าดูของอาหารเวลาอยู่ในปาาอยู่ในท้องหรือเวลาออกมาจากลำไส้ออกมาจากทวารหนักมันก็อาหารทั้งนั้นไม่ใชนะ่อาหารที่เรากินเข้าไปทั้งนั้นให้นึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วมันก็จะไม่อยากกินแต่ระวังนนถ้าคิดบ่อยๆต่อไปทุกครั้งคิดถึงมันจะกินไม่ลง ต้องรู้จักหยุดนะถ้ามันมากเกินกินคิดมากเกินไปก็กินไม่ลงก็ต้องหยุดคิดเมื่อถึงเวลากินก็อย่าไปคิดถึงมันถ้าจําเป็นจะต้องกินแล้วไม่อยากกินก็อย่าไปคิดถึงมันแต่ถ้ามันอยากกินตลอดเวลาก็ต้องคิดถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่ากินเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติ